จเจริญพรทุกๆ ท, ท่านหลงพอวาดภาพมาอันนี้มาเทศให้หมอแก่ๆฟังแกเป็นคนหนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นที่ธรรมกของพระพุทธเจ้ามันมันไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่ลึกซึ้งเป็นของละเอียดของประณีตมากเวลาที่เราฟังทำเนะถ้าใจเรามีคุณภาพพอเราก็จะเข้าใจ แต่ถ้าใจเราไม่มีสมาธิพอนะว่กแป๊บวักแป๊บเราจะฟังยากจะค่อไม่เข้าใจถ้าใจขาดสมาธิเท่านั้นนะธรรมะจะเสียหายเลยเรารับธรรมะไม่ได้จริงธรรมะของพระพุทธเจ้านะั้นไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นเล่นๆ ล, ล, ลอยๆแต่เป็นศาสตร์อย่างแท้จริงเลยเป็นศาสตร์ที่จะบอกเราว่าทำอย่างไร เราจะมีชีวิตอยู่แบบไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยที่สุดนวัตถุประสงค์ของศาสนาพุทธมุ่งมาตรงนี้ว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์นั้นขอบเขตคำสอนของพระพุทธเจ้ามีนิดเดียว mm hmm. เทียบกับความรู้ทางโลกลความรู้ในโลกนี้เยอะแยะเลยศาส์ส า, าขาต่างๆมา ก, ม า, กมายไก่กองความรู้ที่พระเจ้าสอนมันมีขอบเขตนิดเดียวท่านสอนเรื่องทุกข์ วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี่มนุษย์ทั้งหลายนะบางทีชีวิตเราเกิดมาเราก็เรียนแบบคนอื่นไปเรื่อยๆตอนเด็กๆเขาเรียนหนังสือเราก็เรียนหนังสือเรียนจบแล้วเขามีครอบครัวเราก็มีเขาทำงานเราก็ทำเขามีเงินเราก็มีเขามีลูกมีหลานเราก็มีมีตามๆกันไปเรื่อยๆหวังว่ามันจะมีความสุขในชีวิตแค่สักทีนึง แต่ความสุขจริงๆแล้วเป็นของแปลกเหมือนเหมือนเราจะจับได้นะเหมือนเหมือนจะหยิบได้แล้วก็หลุดมือหายไปทุกทีเราลองมาทบทวนดูสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราที่ว่ามีความสุขมีความสุขมากๆมันผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ความทุกข์นะมันเผชิญหน้าเราอยู่ตลอดเวลาอย่างขณะนี้เรายัางหนุ่มอย่างสาวอย่างแข็งแรงสถานะทางสังคมดีคนยกย่องให้เกียรติฐานะ ความเป็นอยู่ดีกว่าคนทั่วๆไปเราจะยังไม่รู้สึกว่าเราจะต้องทุกข์อะไรนักหนาแต่ไม่นานนะอย่างเราอยู่โรงพยาบาลเราเห็นนะไม่นานเลยความทุกข์ก็มาถึงเราได้ปรับเป็นมะเร็งก็ได้เป็นอะไรก็ได้เรามีความพร้อมแค่ไหนที่จะเผชิญกับความทุกข์ที่รอเราอยู่ข้างหน้าผมก็ใช้คำว่ารออยู่ข้างหน้ารออยู่แน่นอนนะถึงไงนีไม่พ้นหรอกจะแน่แค่ไหนก็แก่นะ แม้สัแค่ไหนก็ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่รักนี่เป็นความจริงของโลกของชีวิตซึ่งคนที่มีดวงตาจะเข้าใจคนทั้งหลายนะมีตาแต่มีแต่ตาเนื้อไม่มีตาของจิตใจจะมองไม่เห็นความจริงไม่เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าชีวิตเราเนี่ยความมั่นคงไม่ได้เลย อย่างโลกที่เราอยู่ดูใหญ่โตแข็งแรงนะความจริงเปลือกโลกที่เราอาศัยอยู่ได้บางนิดเดียวลึกลงไปหน่อยเดียวเราก็อยู่ไม่ได้ละมันแตกขึ้นมาเราก็อยู่ไม่ไหวละขนาดโลกก็ยังบอบบางชีวิตของเรายิ่งบอบบางมากบางคนสำลักทีเดียวก็ตายละนี่เรามีความพร้อมแค่ไหนที่จ ะ, ะเผชิญกับความจริงของชีวิตที่วันหนึ่งจะต้องเผชิญยังไงก็ต้องเผชิญพระเ จ, ะจ้าเจ้าสอนให้เรามาเรียนรู้ ความจริงของชีวิตท่านไม่ได้เคยสอนให้ใหเราหนีทุกนะเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้เราหนีทุกแต่ท่ทานสอนให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์ความทุกข์อยู่ที่กายให้เผชิญหน้ากับความจริงของกายความทุกข์อยู่ที่จิตใจให้เผชิญหน้ากับความจริงของจิตใจมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจบ่อยๆมันเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลย ใครๆเขาก็พยายามหนีทุกนะอย่างเป็นหมอเป็นคนไม่สบายมานะพยายามรักษานะเพื่อจะหนีทุกนะทําอะไรต่ออะไรเนี่ยจริงๆแล้วทําเพื่อจะหนีทุกตลอดเลยนะจนเข้มมาก็ไปหาเงินกนละ่าวว่ารวยแล้วจะมีความสุขนะมีครอบครัวหวังว่าจะมีความสุขหนีทุกเป็นคราวๆไปพระเจ้าให้เราเผชิญ น, นะเรามาเผชิญกับความจริงของชีวิตมาดูความจริงของชีวิต ศาสตร์ในการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐา น, นพวกเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมในทางาศาสนาพูธว่าเป็นเรื่องนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องนั่งเข้าสมาธิหลับตาอย่างเดียวแท้จริงแล้วสมาธิเกิดในทุกๆอิริยาบถจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะลืมตาจะหลับตาต้องมีสมาธิทั้งสิ้นเลยต้องมีสติมีสมาธิตลอดนี่ <นะ S 1> วาดภาพกันส่วนมากว่าดภาพว่าต้องไปนั่งัสมาธิเงียบ ต้องปลีกตัวออกจากโลกนะมีกครอบครัวต้องอยากาาับสามีไปอยู่วัดนะหรือต้องหนีภรรยาไปอยู่วัดเลยนะจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเรามีกายที่ใดนะเราก็เรียนรู้ความจริงอยู่ที่นั้นเรามีจิตใจอยู่ที่ไหนเราเรียนรู้ความจริงของจิตใจอยู่ที่นั้นก็อนยะู่กับปัจจุบันนี่เองอยู่กับตัวเรานี่เองแ ล, Wrestling. แล้วเรามาเรียนรู้ความจริงของตัวเราเองนะที่ประกอบด้วยกายกับใจ เียท่านจะสอนวิธีการวิธีการว่าทำยังไงเราจะสามารถรู้ความจริงของกายของใจได้ปกติเราหาความรู้ที่ผ่านมาถึงจะเป็นหมอเป็นอะไรก็ตามนะวิธีหาความรู้ของเราอันแรกเลยก็รับถ่ายทอดความรู้จากของคนอื่นอย่างฟังอาจารย์สอนมาอีกทีนะไปอ่านงานวิจัยงานอะไรต่ออะไรนะเนี่เป็นการเรียนรู้ความรู้ที่คนอื่นเขามี นี่เป็นวิธีหาความรู้อย่างหนึ่งทางพระท่านเรียกว่าเป็นสุดตามายะปัญญาปัญญาจากการฟังมันรวมทั้งการอ่านด้วยเป็นความรู้ของคนอื่นแต่เราไปเรียนรู้มาอีกทีหนึง่งนี่เป็นความรู้วิธีหาความรู้อันที่หนึ่งเอาไม่ใช้กับวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้วิปัสสนากรรมฐานอ่านให้ตายฟังให้ตายก็ทําไม่ได้อย่างนั่งฟังหลวงพ่อเทนนี่ไม่ไม่มีทางบรรลุทําได้เลยเอยวว่าแต่ฟังหลวงพ่อประโมทเลยฟังพระพุทธเจ้าก็บรรลุไม่ได้นะ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านบอกวิจิให้ท่านนั่นเองเน้นการที่เราฟังคนอื่นอ่านหนะังสือฟังซีดีอะไรพวกนี้ยพื่อให้รู้วิจิท่านนั่นเองความรู้จากการอ่านการฟังเนี่ยเป็นแค่บอกพิธีการความรู้อีกชนิดหนึ่งเกิดจากการคิดเอาไตรตรองเอาการไตรตรองเอาการคิดเอาเนี่ยอาจจะเป็นความรู้ที่ถูกก็ได้ผิดก็ได้เราคิดผิดก็เยอะแยะใช่ไหมมันไม่ถูกเสมอไป งั้นความรู้จากการอ่านาา ก, การฟังเนี่ยเป็นความรู้ของคนอื่นไม่ใช่ของเราความรู้จากการคิดเอาเองเนี่ยอาจจะเข้าข้างตัวเองไม่ตรงความจริงมันมีวิธีหาความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคล้ายๆงานวิจัยเลยคือเข้าไปเผชิญหน้าเข้าไปเรียนรู้ความจริงเข้าไปสังเกตการเราจะมาเปลี่ยนจิตใจของเรานะจากนักคิดนักอ่านนักวิาพากษ์วิจารณนะ์มาเป็นนักสังเกตการ เราต้องมาคอยสังเกตการปรากฏการที่เกิดขึ้นในกายปรากฏการที่เกิดขึ้นในใจนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานปรากฏการที่เกิดขึ้นในร่างกายเช่นร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกร่างกายหิวกระหายร่างกายต้องการขับถ่ายร่างกายหนาวร่างกายร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายแข็งแรง คอยเรียนรู้ความจริงของร่างกายไปเรื่อยคอยรู้สึกค่อยดูมันเราทําตัวเป็นผู้สังเกตการนะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เราสัง we เกตก็คือตัวอ็อบเจกต์ที่เราสังเกตคือร่างกายกับจิตใจเราจะดูว่าจริงๆกายที่เป็นยังไงอย่างเราเห็นร่างกายหายใจออกมันอยู่ชั่วคราวมั น, ก, นก็เปลี่ยนเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวก็เป็นร่างกายหายใจออกถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะเราคอยรู้คอยดูไปเรื่อยเราพบเลยว่า ร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราหายใจเข้าเพื่อจะแก้ทุกข์นะเราหายใจออกเพื่อจะแก้ทุกข์เราลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิเราดูว่าทุกข์ไหมทุกข์ลองดูสิหายใจเข้าสักหานาทีได้ไหมไม่ได้ทุกข์นะเราต้องหายใจออกแก้ทุกข์นะเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเนี่ยเพื่อแก้ความทุกข์อย่างนั่งนานๆมันปวดมันเมื่ยใช่ไหมต้องขยับต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนยเนี่ย เนี่ยเรามาคอยเรียนรู้ความจริงอยู่ในกายนะคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเราบ่อยๆดูซิจริงๆร่างกายเนี่ยเป็นของดีของวิเศษจริงหรือเปล่าถ้าเราคอยรู้คอยดูคอยสังเกตไปเรื่อยเราจะพบว่าร่างกายนี่เต็มไปด้วยความทุกข์นะมีความทุกบีบคั้นอยู่ทุกเวลาไม่ใช่ว่าต้องเจ็บป่วยถึงจะทุกข์หรอกมันมีความทุกข์เล็กทุกน้อยซ่อนตัวอยู่ตลอดซึ่งคนทั่วไปที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยไม่เคยเห็นเอี่ยงเรานั่งนิ่งๆทุกข์ไหมนั่งนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์นะ ทำไมเราต้องนั่งแล้วขยับอย่างเนี้ยเรายังลุกขึ้นไม่ได้ตอนนี้หลวงพ่อกําลังเทศเสียมารยาทใช่ไหมเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับเงี้ยขยับไปขยับมานั่งแล้วคันใครนั่งแล้วยังไม่คันบ้างมีไหมมีคันแต่ไม่รู้สึกนะเก่าไปแล้วก็ฟั่งต่อมันทุกข์อยู่ตลอดนะแต่ไม่เคยเห็นเนี่เราถ้าเราคอยรู้สึกตัวนะเราใคอยสังเกตไป ในร่างกายมีแต่วความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปด้วยถึงวันหนึ่งเราจะพบว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเหมือนที่เคยคิดเคยนึกเคยหวงแหนเคยรักใครแต่ละคนรักกายหวงกายที่สุดเลยอะไรเกี่ยวนิดหนึ่งก็ไม่ยอมละแต่ว่าทําไมคิดว่าต้องรักกายมากที่เรารักกายมากเพราะคิดว่ามันเป็นของดีของพิเศษ ถ้าเราเห็นความจริงนะเราค่อยรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆเราจะรู้สึกร่างกายไม่ใช่ของดีของพิเศษร่างกายเป็นของที่มีภาระมากเหลือเกินตื่นเช้าขึ้นมาก็เต็มไปด้วยภาระ น, นึกออกไหมบางคนเข้ามาห้องนี้ช้าเลยเพราะว่าทําภาระยังไม่เสร็จดูแลร่างกายยังไม่เสร็จนะตั้งแต่ไปขับถ่ายไปล้างหน้าไปอาบน้ําไปกินข้าวไปแต่งตัวนะมีภาระเยอะเลยเนี่ยถ้าเราค่อยรู้สึกคอยรู้สึกอยู่เราจะพบว่าตัวที่เป็นตัวทุกข์จริงๆ ร, ร่างกายเรานี่ตัวทุกข์ ถ้าถ้าเห็นได้อย่างนี้ใจจะค่อยๆ่ ค, ยคลายความยึดถือในกายนะดูจิตใจก็เหมือนกันถ้าดูเป็นมันจะคลายความยึดถือในจิตใจนะเคยได้ยินชื่อท่านอาจารย์พุทธธาตุไหมอาจารย์พุทธธาตุชอบสอนธรรมะอยู่บทหนึ่งทล้วบอกว่าสัพเพธรรมานารังอะพิเนเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นไม่ควรถือมั่นอะไรที่เรียกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงก็กายกับใจนี่เองขันห้านี้เอ แต่ว่าอยู่ๆจะไปไม่ยึดมันมนนมด zo, ดม่นถือมั่นไม่ได้เราไปยึดมั่นถือมั่นในกายยึดมั่นถือมั่นในจิตใจนะเพราะเห็นว่ามันเป็นของดีของพิเศษมันเป็นตัวเราของเราเราถึงถือมัน of of นม่น <be> <mejor atamente> แต่ถ้าเราเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกแต่มันเป็นตัวทุกข์มันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายได้เนี่ยพอร่างกายแก่นะไม่เกี่ยวกับเรานะร่างกายแก่เป็นเรื่องของร่างกายจิตใจไม่เศร้าหมองร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นเรื่องของร่างกายจิตใจไม่เศร้าหมองร่างกายจะตายเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจไม่เศร้าหมองเนี่ยถ้าเราเห็นความจริงได้เราไม่ยืนได้นนเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายนะทางจิตใจก็เหมือนกันเรามหัดสังเกตจิตใจอย่างร่างกายเราก็ดูร่างกายหายใจออกก็ทุกข์ร่างกายหายใจเข้าก็ทุกข์ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะทำไปเพราะหนีความทุกข์เป็นกล่าวๆทั้งนั้นเลยมาดูจิตใจบ้างจิตใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเลย เดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากรู้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายอยากคิดนึกปรุงแต่งทางใจคนทั่วไปก็คิดไปในทางฟุ้งซ่านคิดตามกิเลสแล้วมีความสุขพวกนักปฏิบัติที่ว่าไปคิดพิจารณากายเพ่งร่างกายให้นิ่งอะไนีเพ่งจิตให้นิ่งนี่เป็นความปรุงแต่งทางจิตใจทั้งสิ้นเลยเถ้าเรามาหัดรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ใ, ในใจเรือ่อยเหมือนที่เราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลง ใ, ในกาย รูแบบเดียวกันนะคอยรู้สึกอยู่อย่างจิตใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเ <_ S 1> ดี๋ยวก็ร้ายเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจิตที่มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตมีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตโลภจิตโกรธจิตหลงอยู่ชั่วคราวก็หายจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเหมือนกันนี่เราคอยมารู้เท่าทันความรู้สึก ในจิตใจของเราบ่อ ย, อยๆการดูจิตไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งนะถ้าเพ่งจิตให้นิ่งเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานในการทําให้นิ่งทําให้สงบเฉยๆแต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของใจถึงจะได้วิปัสสนาเนี่ยดูจิตใจเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจอย่างพอตาเรามองเห็นอย่างเราเห็นคนที่คนที่เราชอบพอเห็นแล้วมีความสุข เราเห็นคนที่เราเกลียดพอเห็นแล้วก็มีความทุกข์ใช่ไหมอย่างเวลาเราเข้าโรงพยาบาลไปเราเห็นคนไข้แต่ละคนบางทีความรู้สึกไม่เท่ากันใช่ไหมคนไข้ ş, คนนี้เรารู้สึกสงสารคนไข้คนนี้เรารู้สึกหมั่นไส้มันเวลาทำอะไรอาจจะแรงนิดหน่อยนะด้วยความหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นอัตโนมัติเนี่ยเราคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของเรานะความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงอย่างเราได้ยินเสียงคนมาตะกอน เรียกไอ้บ้าหรือว่าคนด่าโกรธนะหันไปดูกลาเป็นเพื่อนเราล้องเรียกเพื่อทักทายไม่โกรธแล้วดีใจวม่าเจอเพื่อนนะเมื่อตากระทบรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนหูกระทบเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนตามมาเห็นของสวยของงามนะใจมันก็มีความสุขใจมันชอบเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวนะเวลาขับรถไปเห็นรถติดเต็มถนนเลยชื่นใจไหมชื่นใจไหมไม่ชื่นใจ ใ, ใจกังวล ใ, ใจเครียดนะเบื่อเซ็งนี่เรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเวลาเห็นไฟเขียวดีใจไหมไฟเขียวขับรถอยู่ไม่แน่ถ้าเราเป็นคันที่ห้าร้อยเห็นไฟเขียวนะี่เซ็เงมากอยู่เลยใช่ไหมแต่ถ้าเปราเป็นคันต้นๆ น, น, นะเราดีใจเราเป็นคันต้นๆก็จริงนะแต่ไอ้คันแรกที่มันจะต้องออกตอนไฟเขียวมันตันเครื่องดับดีใจไหมไฟเขียว โมโหเนนะว่าทำไมเครื่องดับอีกแล้วเนะี่ยไปไม่ได้เนี่ยใจเราจะเปลี่ยนนะตาเรามองเห็นพระใจเราให้ค่าขึ้นมานะความรู้สึกมันก็เกิดเวลาเราขับรถเราติดไฟแดงคันที่ยี่สิบกับคันที่หนะึ่งเนี่ยความรู้สึกไม่เท่ากันนึกออกไหมคันไหนเจ็บใจมากกว่ากันคันที่หนึ่งเห็นไหมง่ายๆแค่นี้เองเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมมันยากพิลึกพิลั่นนะมันง่ายๆแค่นี้เอง คอรู thing, help, well. Arthur, ้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆไปรู้ไปเพื่ออะไรรู้ไม่ใช่เพื่อให้สงบไม่ได้เพื่อให้นิ่งไม่ได้เพื่อเอาดีอวิเศษอะไรแต่รู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี้ยเป็นของชั่วคราวความสุขที่ผ่านเข้ามาก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาก็เป็นของชั่วคราวเหมือนอย่างที่เราดูทางกายนะร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวนะร่างกายแข็งแรง ร่างกายเจ็บปว่วยชั่วคราวหมดเลยมาทางจิตใจก็เหมือนกันเราจะเห็นในความสุขก็เป็นของชัว่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชัว่วคราวความดีก็เป็นของชัว่วคราวบางวันก็ใจดีบางวันก็ใจร้ายใช่ไหมหรือบางทีมีความดีอยู่นะแปบ๊บเดียวก็กลายเป็นร้ายได้เช่นตั้งใจว่าพรรษานี้จะไม่กินเหล้าอะไรอย่างนะพอเข้าพรรษาไปสองสาวันก็เปลี่ยนใจได้ความดีก็ไม่คงที่ เีเฝ้ารู้ลงไปที่ใจของเรานะเราจะเห็นในความรู้สึกในใจเรานี่ไม่เคยคงที่เลยไม่เฉพาะแต่ละวันไม่เหมือนกันนะภายในวันเดียวก็ไม่เหมือนกันภายในวันเดียวก็ไม่เหมือนกันนะตอนเช้าความรู้สึกเราเป็นอย่างหนึ่งตอนสายความรู้สึกเป็นอีกอย่างตอนกลางวันความรู้สึกเป็นอีกอย่างตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกความรู้สึกเราไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าเราดูได้เร็วขึ้นถีขึ้นเเราจะพบว่าแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกัน ถ้าคนพอนาไม่เป็นแะไม่เคยฝึกเลยก็จะพบได้แค่ว่าแต่ละวันเนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกันรู้สึกไหมแต่ละวันความรู้สึกไม่เหมือนกันบางวันสดชื่นใช่ไหมบางวันเซ็งใช่ไหมบางวันเครียดบางวันจังวอนใจบางวันร่าเริงกระดีกระดาเนี่ยหัดใหม่ๆนั่นจะดูคนที่ไม่เคยหัดนั่นจะเห็นวนะ่แต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราพอมาหัดรู้หัดดูจิตใจของตัวเองเนี่ยเราจะพบว่าในวันเดียวกันอ่ะแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกัน เช้าสายบ่ายเย็นหัวค่ําตอนดึกอะไเนี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเราชํานาญขึ้นเลยจะพบว่าแต่ละขณะเนี่ยความรู้สึกเราก็ไม่เหมือนกันจะเกิดไหมเราจะถี่เวลาจะแคบลงเรื่อยๆนะแต่เดิมอาจจะว่าแหมปีนี้สบายปีนี้ไม่สบายเดือนนี้สบายเดือนนี้ไม่สบายวันนี้สบายวันนี้ไม่สบายนะถ้าพอถี่ขึ้นนก็จะเห็นว่าเช้าสายบ่ายเย็นในวันเดียวกันจิตก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่ว ถ้าชำนาญในการปฏิบัติมากขึ้นสติสมาธิเราว่องไหวยิ่งขึ้นเราจะเห็นแต่ละขณนะเนี่ยในห น, หนึ่งนาทีเนี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนทั้งหลายผลเลแปลกนะไปลองหัดสังเกต ด, ดูในนาทีเดียวเนี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนทั้งหลายครั้งบางครั้งก็ใจลอยบางครั้งก็รู้สึกตัวบางครั้งก็ใจลอยบางครั้งก็รู้สึกตัวเราลองมาทดสอบขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศนะลองพยายามมองหน้าหลวงพ่อหน่อยซิลองพยายามดูนะแล้วฟังไปเรื่อยๆ สังเกตให้ดีบางครั้งก็มองหน้าหลวงพ่อบางครั้งก็ตั้งใจฟังสลับกันนะแล้วบางครั้งก็สลับไปคิดสังเกตไหมขณะที่นั่งฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับกันอยู่ตลอดเวลานะั้นไม่ได้ฟังอย่างเดียวไม่ได้ดูอย่างเดียวมันคนละเวลากันคนละขณะกันในขณะนี้หนีไปคิดส่วนใหญ่นึกออกไหมเนี่ยทําไมว่านั่งมองหน้าหลวงพ่อตาแต่แป๋วใจหนีไปที่ไหนละนง แล้วคอยรู้ลงไปนะในปัจจุบันนี้แหละจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดพอไปคิดแล้วก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาขณะที่วิ่งไปดูขณะที่วิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นเนี่ยไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรนะไม่มีดีไม่มีชั่วอะไรต้องมาคิดนิดนึงก่อนพอเข้ามาทํางานที่ใจได้นะตามองเห็นรูปส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมีการแปลมีการให้ค่า ก็จะเกิดความรู้สึกนานาชนิดขึ้นทางใจทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งสุขทั้งทุกข์จะมาเกิดขึ้นที่ใจเหล่านี้เราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจใจเราเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกาย ก, ายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดได้ปรุงแต่งยังขนาดนี้สังเกตไหมใจคิดอยู่เรื่อยๆนึกออกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะแต่ฟังไปคิดไปค่อยๆหัดสังเกตนะ มันไม่ยากหรอกมันไม่ยากหรอกนะตอนที่ลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดุลบอกเลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองก็คือคอยรู้ทันเลยนะจิตมีความสุขคอยรู้จิตมีความทุกข์คอยรู้จิตลอบจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตดีใจจิตเสียใจยินดียินร้ายคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆรู้เพื่ออะไร รู้เพื่อวันหนึ่งจิตจะยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเคยได้ยินประโยคนี้ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาพวกชอบเข้าวัดพวกอ่านหนังสือธรรมะจะเจอประโยคนี้เรื่อยๆหรือถ้าส่วนมนต์เป็นนะส่วนมนต์แปลหรือฟังคาแปลได้ ก็จะมีภาษาบาลีอยู่ในพระสูตรเนี่ยเยอะเลยบอกยังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละมีความดับเป็นธรรมดาจิตมันยอมรับตรงนี้ได้นะเราจะได้ธรรมะเบื้องต้นนะที่เรียกว่าพระโสดาบันนั่นเองพระโสดาบันเนี่ยเป็นคนที่ล้างความเห็นผิดนะว่ามีตัวมีตนได้เป็นคนที่เชื่อมั่นแน่นแฟ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนที่ไม่งมงาย ถ้ายัางงมงายอันนนท์เฮงอันนี้เ่งไม่ใช่อ่ะนะนี่ทำไมเป็นพระโสดาบันได้เพราะได้คอยรู้คอยดูร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวนะร่างกายสุกร่างกายทุกก็ชั่วคราวจิตใจสุขจิตใจทุกจิตใจดีจิตใจร้ายก็ชั่วคราวคอยดูความเป็นของชั่วคราวในกายในใจของเราบ่อยๆนะดูจนวันหนึ่งจิตมันสรุป ว่าทุกอย่างนั่นแหละเป็นของชั่วคราวดูที่แรกมันยังไม่สรุปนะจะค่อ ย, ยรู้สึกเช่นมันโกรธขึ้นมาเราก็รู้ทันว่าใจกําลังโกรธอยู่ดูไปเรื่อยอย่าไปห้ามมันอย่าไปว่า ม, มันดูมไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความโลภความหลงนะความสุขมีความสุขเกิดขึ้นมาดูไปเรื่อยๆมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะทุกอย่างมันชั่วคราวทั้งหมดเลยเนี่ยเฝ้าดูเพื่อให้เห็นความจริงตงัวนี้ไม่ใช่ดูเพื่อให้จิตสงบจิตนิ่งนะ การปฏิบัตินั้นมี2 อ, อย่างสมถะกรรมฐานนั้นทำไปให้จิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ได้ก็คือได้ความสงบได้ความสุขความสบายของจิตใจวิปัสสนากรรมฐานนั้นทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถาวรคาว่าอัตตาตัวตนหมายถึงเป็นตัวตนถาวรเราดูของจริงนี่ใช้การดูของจริงไม่ใช่คิดเอา การที่เราคอยดูของกิ่งในใกายในใจอันนี้แหละคือวิปัสสนากรรมฐานถ้าอยากรู้จักศาสนาพุทธแท้ๆนะก็ต้องลงมือทําวิปัสสนากรรมฐานลําพังการทําทานการรักษาศีลการนั่งสมาธนะิศาสนาอื่นก็มนะีเป็นของทั่วทไปแต่การเจริญปัญญาแบบวิปัสสนากรรมฐานมีเฉพาะในศาสนาพุทธเราเปลี่ยนตัวเองจากคนแสดงมาเป็นผู้ดูดูอะไรดูกายมันทํางานดูใจมันทํางาน ดูไปเรื่อยวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาเลยใจนี้มันก็แปรปรวนตลอดเวลาจิตใจนี้แปรปรวนตลอดเวลาบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับนะถ้าเห็นอย่างนี้นะก็รู้ความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงเราสั่งมันไม่ได้แล้วถ้าดูต่อไปอีกจะเห็นเลยร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์จิตใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป ร่างกายไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างเหมือนที่ พ, พวกเรารู้สึกตอนนี้ตอนนี้พวกเรารู้สึกแม้ร่างกายนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างจิตใจของเราก็เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมนี่แหละไม่ใช่ปลาหลัน <c oughs> ถ้าพาณาได้สุดจิยจะรู้ในร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนไหนทุกข์น้อยคนไม่รู้ก็คิดว่าเป็นความสุขจิตใจก็มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจต้องดิ้นอยู่ตลอดเวลา นะมีแรงผลักของกิเลสตัณหาผลักดันให้ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลามันจะสุกมันจะวิเศษตรงไหนมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันตกเป็นท่าของกิเลสตัณหาตลอดเวลานะไม่มีอิสรภาพแต่ละคนแต่ละคนนั่นเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครบังคับเราได้นะแต่ความจริงเราถูกสั่งทั้งวันเลยเราถูกนายที่แท้จริงชื่อว่าตัณหาสั่งไปทำอันนี้ทําอันนี้อย่าทําวันนี้ต้องอ น, นอนต้องนีนะ้คือความอยากในใจเราเนี่ยผลักดัน ทำให้จิตใจนี่ต้องดิ้นรนตลอดเวลาแล้วมีความทุกข์ตลอดเวลาถ้าไม่ปฏิบัติไม่เห็นหรอกแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจะรู้เลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปลองดูนะลองไปปฏิบัติถูกนะในเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนไม่นานหรอกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองนะถ้าฟังหลวงพ่อแล้วยังจําไม่ได้วันนี้มีหนังสือมาแจกนะมีซีดีมาแจกแจกฟรีด้วยนะไม่เก็บตังค์หรอก นะขออย่างเดียวเอาไปฟังดูลองไปอ่านดูนะให้โอกาสแก่ชีวิตตนเองบ้างเรียนรู้สารพัดอย่างมาแล้วลองเรียนรู้ตนเองบ้างนะถ้าเรียนรู้ตัวเองค้นพบตัวเองได้นะประจักษ์ในตัวเองได้เราจะพบความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนวนะิธีค้นพบตัวเองกนะ็คือรู้สึกตัวดูการทำงานของกายดูการทำงานของใจไปเลย ตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยเมื่อกี้ใครใจลอยบ้างยกมือซียกมือซีเมื่อกี้ใครชิดไปเรื่อยๆพวกมีสองพวกนะพวกหนึ่งยกมือพวกหนึ่งไม่ยกมือพวกยกมือคือใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยพวกไม่ยกมือคือใจลอยแล้วไม่รู้ว่าใจลอย <c oughs> มีสองพวกหากคนรู้สึกตัวยากนะเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดเลยในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหายากจริงๆ จิตท <departed. |mt|>. ี places, me, iri, ่จะรู lazım. ้สึกตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยหายากมากเลยมันมีแต่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงอยู่ในโลกของความคิดหลงอยู่ในโลกของจินตนาการถ้าเราหลงอยู่ในโลกของความคิดเราจะไม่เห็นความจริงของกายของใจแต่ถ้าเราสามารถหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงโลกของความรู้สึกตัวเราถึงจะเห็นกายเห็นใจนี้ได้เมื่อเราจะใจลอยสังเกตไหมเวลาเราใจลอย เรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรามีจิตใจเราก็ลืมมันจิตใจจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วไม่รู้เลยนะอย่างเวลาใจลอยนะยุงกัดเขาไม่รู้ใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเขาไม่รู้นั่นเราคนในโลกนี้นะใจลอยตลอดเวลาอยู่แล้วใจลายไปไหนใจลายไปคิดส่วนใหญ่นะหนีไปคิดมันหนีได้หกช่องนะหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปดมกลิ่นหนีหนีไปรู้รสหนีไปรู้สัมผัสทางกายหนีไปคิดนะึกปรุงแต่งทางใจหนีที่มากที่สุดนะคือหนีไปคิด แล้วเราคอยรู้ทันตอนนี้จะให้แบบฝึกหัดแล้วนะวิธีที่เราจะรู้ทันจิตที่ห น, ไนะนีไปคิดแล้วถ้ารู้ทันจิตที่หนีไปคิดแล้วจิตรู้จะเกิดขึ้นและจิตรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถดูความเป็นจริงของกายของใจได้แต่ถ้าจิตยังหลงอยู่ในโลกของความคิดจะดูความจริงของกายของใจไม่ได้มันจะเป็นการหาความรู้ด้วยการคิดเอาเองนะเป็นก า, การหาความรู้ที่ยังใช้ไม่ได้ ต้องมาดูของจริงถึงจะใช้ได้จะดูของจริงได้เราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ในโลกของจินตนาการวิธีที่เราจะหลุดออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะ่งก็คือเบื้องต้นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะทำอะไรไม่เป็นเลยท่องพุทโธธรรมโมสังโฆไวใ้ในใจท่องไปเรื่อยๆไม่ต้องท่องดังๆหรอกหรือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกใครเคยฝึกดูท้องผองยุบก็ดูท้องพองยุบใครเคยทําจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนนะีขยับมือทําจังหวะ ก็ขยับมือไปแต่ไม่ใช่ทําเพื่อให้จิตนิง่งปรับนิดเดียวแหละพุโทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปทําจังหวะไปเดินจงกรมไปแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดพุดโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนทําอะไรไม่เป็นนะสมมติเรากําลังอยู่ในพวงของความรักเนี่ยบริกรรมชื่อแฟนอย่างได้เลยะ ใครกำลังมีแฟนบ้างไหมแต่ดูไวัแล้วก็ไม่น่าจะเป็นนะแค่บริกรรมนะสมมติท่องชื่อแฟนเรานะหรือท่องอะไรสักคำหนึ่งก็ได้แล้วคอยรู้ทันอย่างนี้มีเสื้อเสื้อสีห้าท่องศีห้าก็ได้สีห้าสีห้าสีห้านะใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้แล้วมันลืมกับว่าสีห้ารู้ทันจิตที่หลงไปคิดเนี่ย หายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่รู้ทันกลับมารู้ลมหายใจหนีไปอีกรู้ทันแต่อย่าไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจนะถ้าเพ่งนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมถกรรมฐานทําทให้สงบเฉยๆหายใจแล้วจิตหนีไปคิดแล้วรู้รดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดแล้วรู้ตรงที่จิตหนีไปคิดแล้วเรารู้รทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วเนี่ยตรงนั้นแหละจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะหลุดโลกออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโอกของความรู้สึกตัวได้ ตอนนีครูบาจารย์วัดป่าแต่ก่อนท่านเรียกว่าตัวผู้รู้คําว่าผู้รู้ก็คือคําว่าพุทธะนั่นเองพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตนั่นเองจิตของเรานี่แหละแต่ปกติจิตของเราไม่เคยเป็นพุทธะจิตของเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตขอเราไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นวิธีนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งท่องชื่อแฟนก็ยังได้นะสวดมนต์สักบทหนึ่งก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิด ถ้าทําได้นะในเวลาไม่นานหรอกฝึกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยจะเห็นเลยเวลาจิตหนีไปคิดมันเคลื่อนไปนะมันไหลไปไหลไปไหลไปตรงที่รู้ทันว่าจิตไหลนะความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดแต่หลุดชนะั่วขณะเดี๋ยวก็คิดใหม่ก็ไหลไปใหม่รู้เอาใหม่นะแล้วหลุดไหลไปรู้สึกไหลไปรู้สึกไหลไปรู้สึกอย่างนี้ในส่วนจะรู้สึกถี่ขึ้นถี่ขึ้นความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นมา คนในโลกไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะแคนในโลกเนี่ยหลงวันละครั Kad ้งนักปฏิบัติเนี่ยรู้สึกตัวบ่อยแต่หลงบ่อยคนในโลกเนี่ยรู้สึกตัววันไม่รู้สึกเลยนะหลงวันละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกเลยนะมันหลงวันละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่นักปฏิบัตินะจิตไหลไปคิดนี่คือหลงนะั่นเองไ ห, แหลแนะวบแปรู้สึกแวบ ร, รู้สึกนะนาทีหนึ่งเนี่ยเห็นเลยว่าหลงตั้งหลายครั้ง ตรงที่เราเห็นจิตเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวนะใ น, นสุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วคราวนี้อย่าไปเพ่งให้มันนิ่งนะคอยดูความเปลี่ยนแปลงในกายในใจอย่างที่เล่าเมาื่อกี้นี้ช่วงแรกนะดูนั่นแหละเรียกว่าเจริญปัญญาตรงที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละเรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดหนึ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนั้นเป็นสมถกรรมฐานเอาไว้พักผ่อน สมาธิชนิดที่สองจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาไว้เจริญปัญญาไว้ทำวิปัสสนากรรมฐานพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้ดูอะไรดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานจะเห็นได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันในที่สุดปัญญาที่แท้จริงมันก็เกิดขึ้นเะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาลองดูนะในเวลาสองสเดือนเท่านั้นแหละเราให้โอกาสแก่ชีวิตตัวเองดูนะมาฝึกขั้นต้นเดี๋ยที่บอกนะ คอยรู้ทันจิต ท, ที่ลงไปคิดทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งก็ได้พุโทโธพุโทโธจิตไปแล้วรู้รู้รู้สักอาทิตย์หนึ่งตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นพอได้ตัวรู้แล้วก็ดูกายมันทํางานดูใจทํางานนะซึ่งเดือนสองเดือนนะชีวิตจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนนะคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะลองไปฟังซีดีที่เขาส่งการบ้านเขารายงานการปฏิบัตินะเขาบอกเลยชีวิตเขาเปลี่ยนเวลาหลวงพ่อไปเทศต่างจางังหวัดนะบางที จอดถตามปั๊มน้ํามันดี๋ยวเข้าห้องน้ำนะก็มีคนมาไหว้มากราบมาขอบคุณไม่เคยเจอหลวงพ่อนะฟัง C ีดีเขาบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตที่เคยมีความทุกข์มากนะก็ถูกน้อยลงเคยทุกนานนะก็ถูกสั้นๆทุกแวบเดียวก็หายแวบเดียวก็หายชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วก็ครอบครัวเขาเปลี่ยนไปพตัวเขาเปลี่ยนตัวเขามีความสุขนะครอบครัวเขาก็ร่มร่มเย็น ที่วัดหลวงพ่อถ้าพวกเราไปนะ่จะเห็นเลยเขามากันเป็นครอบครัวส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวทีแรกมาคนเดียวพอเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางดีอย่างเห็นได้ชัดในเวลาสั้นๆคนในบ้านก็สนใจพากันมาคนในที่ทํางานสนใจพากันมาแล้วเราลองนะไปฟังซีดีดูแล้วลองสังเกตจิตนี้ไปที่เรารู้ทันเขรู้ได้จิตตั้งมั่นแล้วต่อไปดูกายทํางานดูใจทํางาน การดูใจทํางา น, นไม่ยากอะไรดูไปเลยเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายดูซ้ําๆอย่างนี้นะไม่ยากหรอกเอาเท่านี้ก็พอนะยาวกว่า น, นี้ก็เหนเื่อยก็เปล่ามีใครจะคุยอะไรไหมไม่มีจะได้ไปมีไหมมีใครจะคุยไหมเอาว่ามาคุณหมอเสื้อแดงเออ คือสิ่งที่ผิดมันมี2 อ, อันนะอันหนึ่งเรียกว่าการสุขาเลิกการนโยค ก, การปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสอันหนึ่งชื่ออัตตะกิลมฐานนิย o ก, การบังคับกายบังคับใจทํากายทําใจให้ลําบากไหลาตามกิเลสคนในโลกนี้ไหลาตามกิเลสหมดแต่นักปฏิบัติเนี่ยจะชอบบังคับกายบังคับใจทําไมไปบังคับลมหายใจแล้วอึดอัดเพราะอยากปฏิบัติเบื้องหลังการบังคับนะคือความอยากนะ ถ้าคุณหมอไปเห็นจิตมีความอยากเยายปฏิบัติรู้ทันจิตที่อยากนะความอยากเจยดับเราก็หายใจไปเวลาหายใจเนี่ยอย่าไปบังคับจิตดูร่างกายนี่หายใจเหมือนเราเห็นคนอื่นหายใจะเราดูมันหายใจมันเห็นคนอื่นหายใจลองนั่งซินั่งให้เหมือนจริงๆเลยนั่งปฏิบัติไปสังเกตไหมว่าจิตมันดิ่งลงไปอย่าให้ดิ่งนะถ้าดิ่งลงไปแล้วครับ ดิ่งแล้วลงไปแรงๆนะจะไปเพ่งแต่ถ้าดิ่งแล้วอ่อนๆนะจะแฉลับไปฝันจะเคลื่อไปเคลืมอนมาแต่ถ้าดิ่งแล้วไปเกาะอย่างแรงๆนี่จะเคลียดเครียดรู้ทันจิตที่ดิ่งลงไปไหมเมื่อกี้ถ้ารู้นะรู้ทันจิตที่เคลื่อนแตปจิตที่ถอยออกมาเป็นคนดูก็เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูก็ฝึกให้ได้อย่างนี้ น, นั่งอีกทีนั่งดิ่งอย่างเดิม ให้มันจำนานนั่งเหมือนที่เคยนั่งสังเกตไหมว่ามันไม่ดิ่งอี่ยงตะกี้แล้วอะไรนะ <c oughs> ไม่มันมืดมืดมั ว, ม, วมัวไปหมดแล้วรู้สึกไหมมันซึมไปแล้วเนี่ย ม, ม, มันไม่เกาะแรงแลนะท่าแล้วก็ซึมซึมใจซึมซึมไปนะรู้สึกไหมใจซึมตอนเนี้ยอยากให้ติดตัวนี้ออกมานะ ถ้าติดความซึมออกมาเนี่ยไม่ดีเลยจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้มืดมืดมัวมัวผู้เสื่อมซึมนะเันเราเวลาทำกรรมฐานเนี่ยทำด้วยความรู้สึกตัวอย่ามุ่งที่ความสงบแต่มุ่งที่ความรู้สึกตัวหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปเอาคุณหมอเนี่ยมุ่งไปที่ความสงบพาหายใจแล้วก็น้อมจิตจะให้สงบจะให้มันนิ่งก็ดง่ไปแล้วซึมไม่ดี ถ้าออกมานะออกจากสมาธิมานะใครพูดขัดใจนิดเดียวโมโหเลยนะพวกที่ติดสมาธานี่ยขี้มโมโหมากกว่าคนปกติหลายเท่าเลยก็นะอลองไปอยู่ข้างในแล้วมันซึมซึมนิ่งนิ่งอยู่ขี้มโมโหไหมเวลาออกมา <c oughs> งั้นอย่าให้จิต ด, ดิ่งนะนั่งหายใจนั่งเอาความรู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะอย่าไปนเน้นที่ความสงบแล้วมันสงบเอง แต่ถ้าเราดิ่งไปนะไม่สงบจริงสงบแบบลำบากไม่สบายแต่ถ้าหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวเวลาจิตสงบนะสงบแล้วสบาย เ, าเชิญคุณศีล5าใช่ถูกต้องถูกต้องจิตเนี่ยแหละเป็นคนไปรู้ทันจิต แต่จิตเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีกดวงหนึ่งก็ไประลึกรู้ทันในตัวที่ดับไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตหลงไปแล้วเกิดความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะรู้ว่าเมื่อกี้หลงแต่ตอนที่จิตรู้เกิดขึ้นเนี่ยใครเป็นคนรู้มันมีจิตรู้อีกคนหนึ่งอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นจิตรู้เนี่ย ก, ก็เกิดแล้วดับนะถ้าเราค่อยๆดูเราเพราะว่าจิตเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเนี่ยใช่ ใช่ตัวมันก็ดับตัวใหม่ก็เกิดขึ้นมาคือคือมันเหมือนพ่อกับลูกนะพ่อมีสมบัติมากนะนก็ส่งไปให้ลูกนะจิตดวงหนึ่งก็ทํากรรมนะก็ส่งวิบากไปสู่จิตดวงต่อต่อไปนะมันมันเหมือนไม่เท่ากันแตไม่เท่ากันมันเหมือนพ่อกับลูก จิตนี้เกิดดับตลอดเปลานะจิตไม่ได้มีดวงเดียวอย่างจิตที่กระทำกรรมดีบางคนก็บอกว่าเง่ทั้งั้นทำอะไรก็ได้สิเพราะว่าเดี๋ยวไอ้จิตตัวที่ทำกรรมนี้มันก็ดับไปเพรนันชั่วแค่ไหนก็ไม่เป็นไร้ค็คล้ายๆพ่อนะไปสร้างหนี้สินไว้เยอะนะลูกก็เดือดร้อนมันสืบทอดกันอย่างนี้ขอบคุณครับแล้วพอเรามีอายุเลยไปจนถึงสังขารที่แก่ชราแล้วเนี่ย แล้วจิตดวงท้ายๆดวกระตั้งดวงสุดท้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วผมได้ได้ได้ฟังเทศนามาจากจากหลายๆที่บอกว่าจิตดวงสุดท้ายจะเป็นตัวกําหนดภพชาติถัดไปใช่ไหมครับแล้วมันก็มีการบันทึกออะไรไว้เยอะๆเลยเพื่อที่จะให้มันไปไปไปบังเกิดในภพชาติถัดไปนี่มันสะสมอยู่มันมันมันทำงานตตนช่วงนี้ผมผมนึกไม่ออกว่ามันทํางานอย่างไรต้องเห็นเอาเองนะ เวลาอยู่โรงพยาบาลบไปฝึกให้ได้ที่พระจักสูก่อนแล้วดูคนเวลาจะตายเราจะเห็นว่าจิตดวงสุดท้ายเนี่ยดับนะไม่ใช่ดวงนี้ออกจากร่างไปเกิดนะมันเกิดกระแสการเหนียวนำนะเกิดอีกดวงหนึ่งขึ้นมาในอีกภพหนึ่งแล้วตัวนี้ดับนะตัวนี้หมุนต่อเลยคนละตัวกันนร่งอครับพอมันจะวิ่งไปดุท้าย อ่ามันตามอิมนด <ะ S 2> ีส่ะอย่าที่ท่านบอกคราวนี้เนี่ยจุด จ, ด จ, ดจดดิตจิตดวงที่จะวิ่งไปหรือว่าอินดีสไปหดิเนียวนําไปเนี่ยมันจะเข้าไปที่กายใหม่ทันทีเลยไหมครับไม่ใช่มันเกิดขึ้นใหม่มันเกิดขึ้นสดสดร้อนๆในกายใหม่ะในกายใหม่เลยมันจะวิ่งไปกายใหม่เลยใช่ไหมฮะใช่มันจะไม่อยู่ร่องรอยกับกับกับวัฏว่างเปล่าไม่มีมันจะไปจับตัวใหม่เลยอะไรก็แล้วแต่ใช่คือทันทีที่จุดดิจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปนะปฏิสนธิจิตเกิดทันทีเลย ไม่มีช่องว่างสำหรับตอนนั้นถ้าเกิดไม่มีมนุษย์อยู่มีสัตว์มีอะไรอยู่ตอนนั้นก็ไปเลยใช่ไหมครัใช่แต่มนุษย์อาจจะหน้าตาไม่เหมือนเราก็ได้นะอย่างเราเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ก่อนหน้าเราก็มีมนุษย์จะหน้าตาไม่เหมือนเราก็ได้ใช่ไม่ใช่โฮอรโมนเสเทียนก็ได้ <c oughs> ไม่งั้นพนระพุทธเจ้าบางองค์นะสูงตั้งสี่สิบเมตรไม่ใช่เผ่าพันธุ์เราอะ ะหลวงพ่อคะหนูปฏิบัติอยู่แล้วก็บางทีก็รู้สึกว่าแน่นแ น, นบนงทีบังคับแหละค่ะบางทีก็ฟุ้งซ่านมันหาจุดตรงกลางไม่เจออย่าหาฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านแน่นให้รู้ว่าแน่นฟุ้งซ่านเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแน่นเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบให้รู้ทันจิตที่ไม่ชอบหรือถ้ามันชอบอะไรนะรู้ทันจิตที่ชอบนจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลาง น่นตรงที่กลางตรงที่ถูกเนี่ยสร้างขึ้นไม่ได้ให้รู้ทันตรงที่ผิดนะแล้วมันถูกเองเมื่อไหร่ไม่ผิดมันนั้นถูกเมื่อไหร่พยายามทำให้ถูกมันนั้นผิดมีเวลาอีกสิบนาทีเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปเชียงใหม่กราบเรียนท่านหลวงพ่อว่าอย่างเวลาต้องขับรถหรือผ่าตัดนะคะถ้าไม่สนใจเรื่องราวข้างหน้ามันก็ไม่ใช่ไม่ได้เวลาขับรถไม่ใช่เวลาจเจริญสติ แต่ถ้าทำต้องต้องทํำยังไงคะเหมือนว่าต้องรู้สึกตัวบ้างหรือเวลาขับ ร, รถนะั<ะ>้นก็อย่าใจลอยนะจดจอ่จออยู่กับการขับรถแต่ขับไปแล้วเกิดกิเลสแทรกเข้ามารู้ทันนะเช่นเกิดเบือ่อรู้ว่าเบือ่อเกิดหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงนะิดก็จิตใจเป็นปกติดีแล้วก็ขับรถไปตามหน้าที่เหมือนเดิเราเป็นหมอนะเราตรวจคนไข้เราต้องคิดต้องอะไรใช่ไหมในขณะนั้นไม่ใช่เวลาเจริญสติแต่ว่า mm. พอตรวจคนไข้ไปแล้วเกิดหงุดหงิดขึ้นมารู้ว่าหงุดหงิด เกิดสังเวทใจสงสารหรือว่าสงสารมันแทรกเข้ามาแต่ว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยทำงานได้ครั้งหนึ่งอย่างเดียวแหละนะมันไปขับรถแล้วจะไปทำอย่างอื่นหลวงพ่อไปยมีลกูกศิธิ์คนหนึ่งนะนานแล้วสักเกือบสิบปีแล้วขับรถแล้วก็ไปดูจิตจะดูไม่เป็นนะดูแล้วไปเพ่งจิตแตนิ่งพอจิตนิ่งนะจิตรวมขับรถอยู่นะเห็นไฟแดงนะเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นแต่ไม่รู้วแปลว่าอะไร ชนทีเดียว้าคันเลยที่จอดอยู่ข้างหน้าเสี่ยไม่ให้ขับรถอีกเลยเพราะฉนั้นต้องทำให้ถูกหน้าที่ในขณะ น, นี้มีหน้าที่ขับรถต้องขับรถให้ดีมีคณะหนาณ น, า น, านี้มีหน้าที่ทํางานทํางานให้ดีะแต่ถ้าทํางานไปแล้วหรือขับรถแล้วกิเลสอะไรแทรกคอยรู้ทันกราบนะมรสการพระอาจารย์นะคะเราเรียนถามว่า ถ้าปกติเราทราบว่าจิตเราเนี่ยชอบฟุง้งซ่านเราจะเริ่มด้วยสมถะก่อนจนรู้สึกว่านิ่งดีแล้วค่อยวิปัสนาได้คะได้แต่ว่าคนธรรมชาติของคนที่ฟุ้งซ่านมากเนี่ยโอกาสที่จะทําสมถะจนนิ่งเนี่ยยากยากนะที่จะถึงชาญถึงอะไรเนี่ยไม่พอถึงอะ่ะงั้นเราเอาอย่างเงี้ยสิเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่าง พุโทโธไปหายใจไปดูท้องพ่งยุบไปอะไรก็ได้ทากรรมฐานซักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ฟุง้งซ่านถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุง้งซ่านนจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับมันจะเกิดจิตที่สงบขึ้นเองเวลาทํากรรมฐานเนี่ยมันต้อจะเรียนกลับข้างนะเรียนจากสิ่งที่ผิดอย่างจิตฟุง้งซ่านเรารู้ว่าฟุงา้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับมันจะกลายเป็นจิตที่สงบโดยที่เราไม่ได้เจตนาทำขึ้นมา แต่ถ้าจงใจจะไปทำจิตให้สงบนะในขณะนั้นจิตมีความโลภอยากสงบจิตไม่สงบหรอกจิตจะยิ่งฟุ้งไปตามแรงผลักของความอยากงงไหมไม่งงแน่นะนะในใจนะ่าหน้านิ้วคิ้วขมวดนะน้ัน้มัสกษารถามพระอาจารย์ครับเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ทราบปฏิบัติอย่างไรซึ่ง ถึงจะไม่ง่วงเหงาหอนอนเพราะว่าปฏิบัติทุกครั้งนี้หลับทุกครั้งครับราตามตามรู้ตามรู้ไปแล้วก็จะหลับไปปฏิบัติตอนเหนื่อยมากแล้วมัง่งอย่างหมอนะี่ยเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากก็ต้องปฏิบัติตอนตั้งแต่ตื่นได้ดีดดที่สุดเลยตื่นให้เร็วขึ้นหน่อยอย่าไปปฏิบัติตอนค่ำตอนค่ำเหมือนนอกติกหักหมดเรียหมดแรงแล้วเอาตั้งแต่ตื่นเลยแล้วก็อยู่ในชีวิตประจํำวันเนี้ทําบ่อยๆ แล้วหลวงพ่อสมัยก่อนก็ทํางานนะทานข้าวกลางวันนะ้ไปเดินเดินเมื่อก่อนอยู่ในทําเนียบรัฐบาลทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปวัดเบญจานะเดินกลับมาได้เวลาทํางา น, นจริงๆเดินจงกรมแต่ถ้าเราเดินกลับไปกลับมานะคนไม่เข้าใจเดี๋ยวเขว่าบา้าเดินเหมือนก็เดินเล่นนะคนก็นึกว่าเราเอ็กซ์ไซร์จริงๆเราพอนะ ถ้าเราทําตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตลางวันอะไรเนี้ยตกค่าไปนั่งสมาธิอะไรเนี่ยมันทําได้ง่ายจิตมันมีพลังแต่ถ้าทั้งวันเราหลงหลงมาทั้งวันนะตกค่าแล้วไปนั่งเดี๋ยวก็หลับแล้วละ่ะและอย่างนะถ้าอายุห้าสิบขึ้นนะไปนั่งเฉยเฉยเดี๋ยวก็หลับต้องเคลื่อนไหวพยาามเคลื่อนไหวไว้กลับมาแลสการครับพระอาจารย์มิส่งคําถามนะครับคือคําถามแรกเนี่ย ความรู้สึกตัวเราของวันนี่ก็สําคัญนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยเจ็ดวันสิบวันตามที่ต่างๆครับมีความจําเป็นนะฮะแล้วก็คำถามที่สองคือเวลาเรามีโอกาสไปปฏิบัติอะไรที่เนี่ยวิหารธรรมมันเปลี่ยนในแต่ละที่เนี่ยเราสมมติเรามีหลักนิดนึงแล้วเนี่ยเราหลักนั้นเนี่ยดำเนินต่อได้ไหมหรือว่ายังไงครับคือส่วนใหญ่ที่เขาสอนกันนะเขาสอนเปลือกหรือสอนรูปแบบของการปฏิบัติ ไปที่นี่เขาก็าสอนเดินแบบนี้นั่งแบบนี้ไปอีกที่เขาก็เป็นอีกแบบนี่มันทําความยุ่งยากว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนมาเรียนให้รู้หลักของการปฏิบัติไว้แล้วเราก็ไปดูว่าตัวเราเนี่ยเหมาะกับรูปแบบของการปฏิบัติแบบไหนอย่าเรียนแบบคนอื่นทางใครทางมันไม่ใช่เพื่อนเราเขาไปพุโทโธเราจะต้องพุโทโธแล้วจะดีเหมือนเขาไม่จําเป็นเลยไม่ใช่เขาไปฟังยุบเราก็ฟังยุบกับเขาแล้วจะดีไม่จําเป็นเลย ต้องดูตัวเองนะแล้วก็เดินให้ถูกหลักท่านเองแล้วก็เลือกกรรมฐานที่เหมาะกับจริตนิสัยของเราเองยกตัวอย่างนะถ้าเราต้องการทําความสงบเนี่ยจิตเรามีราคามากอยากทําความสงบเพราะพิจรารณาร่างกายพิจารณาปฏิปุสุภาอะไรเงี้ยจิตเรามีโทสามารถเราก็เจริญเมตตาจิตก็สงบจิตฟุ้งซ่านมากมันก็พุโทโธไปหายใจไปจิตก็สงบต้องดูตัวเองว่าไหนเหมาะ ถ้าจะทำวิป um. ัสสนาก็ต <university> ้องดูจ <my S 2> ิต <into> น <énormément> ิสัยเหมือนกันว่าเราเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามหรือเราเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นถ้าเราเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับเราคือการดูกายนะถ้าเราเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นกรรมฐานที่เหมาะกับเราคือการดูจิตดูตัวเองนะอย่าตามคนอื่นเขาถ้าไปที่นี่ทาอย่างนี้ไปอีกที่จับหลักไม่ได้จับหลักไม่ได้พานาไม่ได้หรอก ดูตัวเองเจ้าความคิดเจ้าความเห็นหรือว่ารักรักในความหนุ่มความหลอ่อเนี่ยดูนะแล้วก็เลือกกรรมฐานเอาครูบาอาจารย์เคยสอนนะบอกว่าทำกรรมฐานนะคนคนหลายคนไปกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันพรางี้นะทางใครทางมัน ในมรดกการหลวงพ่อค่ะคืออยากรู้ว่าเวลาเรากาหนดหรือสุกตัวเนี่ยบางครั้งพอดีสร้างภาพเหมือนกับว่าเราจินตนาการว่าเราจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งแล้วพอเวลามันเบี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกแล้วแล้วมันก็จะกลับมาอยู่กับที่อยากรู้ว่าเรามันกลายเป็นเรากําหนดให้มันนิ่งหรือว่าเราควรจะเหมือนกับควรจะเหมือนกับว่าให้เรารู้ก่อนว่าเราทุกข์หรือว่าให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกอะไรแล้วเราถึงถึงหยุดมันถ้าทําอย่างนั้นจะได้ความสงบ ตั้งไว้อันหนึ่งแล้วเคลื่อนเรารู้สึกเคลืแล้วรู้สึ ก, แ, สกแต่ถ้าแทนที่จะบังคับอยู่ที่วัตถุประสงค์นะถ้ามุ่งไม่ให้มันเคลื่อนเนี่ยจะเป็นสมถะแต่ถ้าเคลื่อนแล้วคอยรู้ทันเห็นมันเคลื่อนได้เองมันจะขึ้นไปสู่การเดินปัญญาได้โดยโดยไม่ต้องสนใจว่าเรารู้สึกว่าเราทุกหรือว่าเรารู้สึกอะไรอยู่หรือเปล่าคะไม่จําเป็นอันนั้นคือเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะการเห็นสุขเห็นทุกนะ เป็นเวทนานุปัสสนาเป็นอีกหมวดหนึ่งนะการเห็นจิตที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงเยเป็นอีกหมวดหนึ่งทางใครทางมันเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เหมือนคุณวะนะหลวงพ่อไปเรียนสุทั่วเลยนะสำนักดังๆเนี่ยเข้าไปเรียนครูบาอาจารย์เนี่ยองไหนมีชื่อเสียงเนะเข้าไปศึกษาหลายสิบองสุดท้ายก็ได้แก่นได้หลักพอได้ตัวนี้มา ได้ความรู้สึกตัวมาเนะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ตรงไหนนะพูดกันรู้เรื่องหมดเลยส่วนเปลือกนะั้นท่านไม่มายุ่งกับเราหรอกอย่างอาจารย์มหาบัวหลวงตามหาบัวอันนี้รุ่นหลังที่เรียกหลวงตามหาบัวท่านสอนทั่วๆไปกนะ็พุโทโธแล้วพิจารณากายไม่หายใจด้วยนะใช้พุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องลมหายใจเลยพุโทโธแล้วพิจารณากายหลวงพ่อไปหาท่านนะท่านสอนเรื่องจิตเลยท่านสอนจริยนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกัน เอาละได้เวลาพอสมควรนะ